อรรติโลกนาสิกาความดิศรยาทำให้โลกชิบหายเห็นใครได้ดีไม่ได้ตรองดิบิชชาตาร้อนกันตลอดการตลอดเวลาเห็นข้าเห็นคนหนึ่งคนใดตั้งด้านอยู่ใกล้กันขายของเหมือนกันเขาขายได้ดีกว่าเราก็ต้องอิชชาตาร้อนเขามันมีแต่บมดอิชชาตาร้อนกันตลอดการตลอดเวลา เป็นยังไงไหนนายเอ้ยพระองค์ก็บ้าไปไม่ผิดเลยอรติโลกนาธิกาววบความวิทยาทำให้ลูกชิพย์